จเจริญพรญาติโยมยาบ่ายนะทุกทุกคนญาตโยมนั่งตอนสบายเนาะอาจารย์เดินทางมาจากอีกที่หนึ่งมาจากจันทบุรีเพิ่งมาถึงก็พักหนึ่งตลอดการเดินทางก็นึกมาตลอดว่าจะเทศอะไรดีเนาะการแสดงธรรมก็จะเป็นเรื่องของการแสดงสิ่งที่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 คนจะรู้วิธีนะธรรมะบทแบบนี้ก็มีแล้วก็มีบทธรรมบางประเภทคือถ่ายทอดสภาวะอันเป็นผลจากการปฏิบัติที่ว่าถ้าฟังแล้วรู้แจ้งตามก็บรุธรรมกันเลยนะธรรมะแบบนั้นก็จะหาได้ในครั้งพุทธกาลยุคนี้ไม่ต้องไปหานะฟังยังไงก็ไม่บรรลุอนะนี้ก็จะมีอีกแบบหนึง่งกับบทธรรมที่ แสดงในมุมของการปลุกเราฟังแล้วรู้สึกอยากปฏิบัติจังเลยเนะี่ยฟังแล้วรู้สึกรู้สึกตื่นตัวรู้สึกสนุกก็จะมีบทธรรมแบบนี้บางทีพระเจ้าก็จะปลุกเราด้วยเล่าเรื่องราวต่างๆฟังแล้วอ๋คนนั้นสาเร็จคนนี้สาเร็จคนนั้นสาเร็จฟังแล้วเราก็น่าจะทำได้นะก็จะมีบทธรรมแบบนี้บทธรรมจะนิดวาปลุกเราให้พิสูจอาถรรกล้าวกล้า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 สอนให้ปฏิบัติเพื่อมุ่งหลุดพ้นไปจากความทุกข์กันเลยนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นตัวแก่นละนะดงนั้นญาติโยมด้วยข้อหาที่ว่าฟังธทมกันเป็นประจำอาจารย์ไม่มาสอนแล้วเรื่องไหนดีไม่ดีดีไม่ดีดดพอ ร, รู้กันหมดนยะจะชวนไปนิพพานอย่างเดียวไม่เป็นไรนะโอเคทีนี้เราก็มาสรุปกันหน่อยดีกว่าเรื่องสรุปเรื่องการปฏิบัติทั้งหมด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 นั้นผู้ปฏิบัติที่คิดจะเอาดีเอาจริงกันจริงๆเนี่ยเขาจะเติมความตั้งใจรัดกลุ่มในทางละสูงกลัวมากนะอกุศลเกิดขึ้นนี่กลัวกลัวตัวเองจะเกิดเกิดแล้วต้องรีบละเกิดแล้วต้องรีบละความจำแย่ๆลอยขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นความจำในทางให้จิตคิดแย่ๆน่ต้องรีบละเพราะทันทีที่คิดอะไรแย่ๆจิตจะหยาบจิตจะร้อน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 ปิดกันก้นคำพูดที่เป็นคําพูดเพิรเจอร์อเลเธอะปิดกัน้นถ้าจะพูดเท็จหยุดถ้าจะพูดยาเบรกถ้าจะพูดเพิรเจอร์หยุดเตือนตัวเองให้หยุดถ้าจะสอรเสียดหยุดเมื่อปิดกั้นการพูดเนี่ยกระแสของจิตก็จะยังไม่เศร้าหมองเพราะการพูดต่อมาก็ปิดกั้นที่การกระทำมิการกระทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ปิดกัน้นนะ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 แล้วก็ทำให้ชาตาแข็งแรงนะความสะอาดเมื่อปิดกั้นการพูดให้สะอาดปิดกั้นการกระทาให้สะอาดปิดกั้นความรู้สึกให้สะอาดแล้วท่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยกลิ่นอายความสะอาดมันทำให้เราเย็นใจและเมื่อทรงความสะอาดไว้นานๆนิสัยเราจะเปลี่ยนไปแล้วจะกลายเป็นคนที่ดีอย่างแท้จริงเนเมื่อดีอย่างแท้จริงทีนี้ไม่ต้องไปปิดกั้นอีกแล้วไม่ต้องไปรักษาบังคับประคองอีกแล้ว เราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความคิดจะทำจะทาไม่มีความคิดที่จะมีเจตนาจะไปกระทามันอีกเรากลายเป็นคนที่เย็นไปเลยกับเรื่องการพูดการกระทาและความคิดซึ่งความคิดในทางอากุศลมันจะเริ่มเกิดยากขึ้นในยามที่ใจโยมสะอาดได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยความคิดอกุศลนี่เกิดยากมากนะเพราะยามที่ใจคนเราสะอาดเนี่ยมองอะไรมาอารมณ์ดีไปหมด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 ไม่มีนะงั้นถ้าจุดตั้งต้นเราทำตบยุงบี้มดได้เดี๋ยวต่อมาก็จะตัวใหญ่ขึ้นได้ต่อมาก็จะขยายเป็นแมงสาบต่อมาก็จะเป็นแมงป่องตะขาบอะไรเลื่อเปลือยยาวออกไปนั้นจุดตั้งต้นเก็บละเอียดได้เนี่ยมันทำให้ใจละเอียดตามนะนั้นข้อนี้พพุทธเจ้าเนี่ยให้เว้นเพื่อให้จิตของคนนั้นละเอียดเพื่อจิตคนนั้นสะอาดนะไม่มีบาปรม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 ต้องมาเลยว่าถ้าคิดปั๊บเนี่ยจิตก็เสียนะต้องรักษาความบริสุทธิ์เหมือนรักษาซั์เลยละ่ะกว่าจะได้ใจสะอาดมาเนี่ยทำมาตั้งนานไปคิดสักส3นาทีกับเรื่องที่ไม่ควรจะต้องเอามาคิดเลยเนี่ยก็คือทำลายตัวเองนะถ้ารักษาจิตดีๆเขาจะกลัวความคิดตัวเองยิ่งกว่ากลัวความคิดคนอื่นนะกลัวความคิดตัวเองมากๆกลัวความคิดอันเป็นอกุศลเพราะทันทีที่ขึ้นมาครั้งหนึ่ง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 โกรธยากนะให้อภัยง่ายไหมง่ายปล่อยวางก็ง่ายนี่คือกระแสะเขาอ่อนโยนดังนั้นการปฏิบัติธรรมน่ยอีกข้อหนึ่งที่คนประพฤติธรรมควรต้องอบรมคือความอ่อนโยนนะไม่ใช่จะนั่งแต่สมาธิจะเอาแต่ฌานหรือจะเอาแต่อะไรนั้นนะไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยให้อ่อนลงมาดัง น, นั้ก็จะต้องปรับทั้งด้านกระแสะสะอาด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 ต้องไปเจอเรื่องเราแย่ๆกรอกหูเนี่ยบอกว่าวันนี้ฉันจะฝึกความแข็งแกร่งฉันจะไม่โต้อตอบสักคำหนึ่งเนี่ยได้แกร่งฟังไปเลยแล้วก็ฉันจะไม่พูดสวนสักคำหนึ่งเนฝึกความแข็งแกร่งถ้าทนได้ตลอดอย่างนั้นและทนได้อีกสักหลายครั้งเราแกล่งขึ้นไหมแล่งขึ้นนี่คือได้ความแข่งต่อมาเจออะไรกระทบนิดกระทบหน่อยเนี่ยสบายไห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 ในความสงบเนี่ยถ้าจะพิจารณาทำอะไรพิจารณาทำไปด้วยใจที่สงบเนี่ยมันมีพลังพิจารณาทำด้วยใจสงบสะอาดบริสุทธิ์อ่อนโยนเนี่ยการพิจารณานั้นมันมีพลังนั้นในมุมด้านพัฒนาด้านความสงบเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องกระทำอย่างไรกันบ้างถ้าในครั้งพุทธกาลนะหนหากรรมาฐานหนึ่งกองในทางสมถะเนี่ยนะในทางสมถะ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 แต่ในยามที่เราเริ่มต้องการหมายถึงเราสงบไมนะะั่นน่ะมันเริ่มไม่สงบนี่มเราจะไปโน่นไปนี่ไปนั่นวิ่งออกไปเรื่องนั้นนั่นคือไม่สงบในภาวะที่เขาดึงความสงบได้เนี่ยจิตมันจะอยู่กับที่ไม่ไปไหนไม่คิดถึงอะไรไม่ต้องการอะไรนี่คือความสงบมันกลายเป็นเครื่องอยู่ได้เลยที่ใจกำลังสงบอยู่เนี่ยนั้นมุมหนึ่งเมื่อสงบมันได้ความทรงตัวที่ผ่อนคลาย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 ต้องทำให้มีอยู่เป็นแข็งแรงหรือเป็นอันมากเลยให้สําเร็จเลยนะกลิ่นอายความสงบเกิดขึ้นจากการเสพการทาสมาธินี่คือข้อหนึ่งกับกลิ่นอายสงบเกิดขึ้นจากการนำพาตนปลีกไปอยู่ด้วยภาวะที่ไม่คุกคีกับใครเพื่อให้กลิ่นอายตัวเองสงบขึ้นก็นลดการคุกคีนะกับลดระดับการพูดคุย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 ในชั้นทีนะ่ทรงตัวในแบบหนึ่งมันมีสงบกว่านี้คือสงบในชั้นของการปล่อยวางจางคลายอันนี้คือสงบในชั้นของการทำลายกิเลสเลยตรงนี้เป็นความสงบเย็นปโปรง่งเป็นธรรมชาติกับสงบนิ่งที่ผสมผสานการต้องประคองและควบคุมอันนี้สงบจากศีลและสมาธิเนะี่ย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 ความคิดก็สงบความรู้สึกก็สงบสงบอย่างงั้นสบายไหมเนะสบายเนาะดังนั้นกลิ่นอายความสงบก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําังนั้นถ้าเรากําลังไม่สงบอยู่เราก็รู้ว่าเราต้องทํำยังไงดีกับชีวิตฉันต้องพัฒนาด้านสงบนะด้านนี้ฉันต้องทำํำจะพัฒนาด้านสงบอาจจะเริ่มจากง่ายๆก่อนคือฉันจะลดระดับการพูด นะให้พูดน้อยลงหน่อยกับฉันจะลดระดับการคุกคีถ้าคุกคีเดี๋ยวโดนชวนคุยลดระดับการคุกคีหรือถ้าคุกคีเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้าหูเต็มไปหมดเดี๋ยวไม่ค่อยสงบนี่คือฝึกกับเดี๋ยวฉันจะลองปลีกไปอยู่คนเดียวเนะื้อเสพกลิ่นอายความสงบจากธรรมชาติก่อนในที่ที่ไม่มีใครเนี่ยธรรมชาตินั้นมีกลิ่นอายความสงบนะถ้าเราเข้าไปในที่สงบอันนั้น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 พัฒนาด้านอ่อนโยนพัฒนาด้านแข็งแกร่งพัฒนาด้านสงบกลับบ้านดีกว่าเยอะเหลือเกินนะแต่จริงๆก็ต้องทำทั้งหมดอนะ่ะเขาก็ต้องทำทั้งนั้นต่อมาพัฒนาด้านการปล่อยวางพระเจ้า บ, บอกว่าให้มีวันคืนที่บุคคล น, นั้นฝึกทำจิตให้ปล่อยเราชินที่จะยึดมั่นจริงจังเนีก็ให้ฝึกทำจิตให้ปล่อย นะฝึกทำจิตให้ปล่อยการฝึกทำจิตให้ปล่อยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะก่อความเบาบางในภายในได้นะปล่อยเห็นอะไรฝึกปล่อยได้ยินอะไรฝึกปล่อยทราบอะไรฝึกปล่อยรู้สึกอะไรฝึกปล่อยรู้เข้าใจอะไรละเอียดยิบเลยก็ปล่อยบางทีก็ถ้องบอกเออรู้แค่นี้นะฉันไปยึดมั่นถือมั่นมันมันอาจจะไม่รู้จริงก็ได้นะ ถ้าฉันพอใจเธอเดี๋ยวฉันหลงตัวเองตายเลยเนี่ยมึงดีสอนตัวเองฝึกปล่อยปล่อยทุกอย่างเห็นอะไรฝึกปล่อยนั้นมันงามเหลือเกินอวางไว้นั่นแหละไอ้งามอย่างนี้เดี๋ยวก็เก่าฝึกปล่อยนะไพเลาะเหลือเกินเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เบื่อลองไพ่เลาะฟังแล้หลายรอบเดี๋ยวก็เบื่อฝึกปล่อยเจออะไรลองปล่อยเลยฝึกปล่อยฝึกปล่อยฝึกปล่อยนะ เมื่อฝึกปล่อยมันจะเกิดการฝึกการสักแต่ว่าแล้วทีนี้เมื่อเราฝึกปล่อยมันจะเข้ามาในใจไหมเข้าไมไม่เข้าเมื่อไม่เข้าก็ไม่รกนะคนเราชินที่จะน้องไปเกาะนี่คือความเคยชินนะในการปฏิบัติที่จะทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นผู้เบาบางเพื่อง่ายต่อการทำลายกิเลสให้สำเร็จเนี่ยเขาจะต้องผ่านวันคืนที่ฝึกปล่อยด้วย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 ทำจิตให้ปล่อยฝึกทำจิตให้ปล่อยรู้จักปล่อยมะมรู้จักถือสาไะเออือรู้สิเคยถือสาชาวบ้านมะมนั่น่ะให้ปล่อยได้ <c oughs> ถ, ถือสาฉันปล่อยงวดนี้ฉันจะปล่อยนะงวดนี้ฉันปล่อยงวดนี้ฉันปล่อยนี่คือฝึกปล่อยเห็นอะไรฝึกวางไว้เลยทิ้งไว้ตรงนั้นละ่ะได้ยินอะไรนะบาดหูหรือเกินวางไว้อย่างนั้นละ่ะ นะให้บาทตรงหูเดี๋ยวเข้ามาลึกเลยเดี๋ยวคาใจยันเช้าไม่เอาฝึกปล่อยนั้นฝึกทําจิตให้ปล่อยฝึกปรงเลยฝึกตัดเลยฝึกวางเลยเนี่ยการฝึกอย่างนี้จะทําให้พื้นที่ของใจนั้นว่างนั้นคนที่ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมี ม, มุมฝึกทําจิตให้ปล่อยไหมเสียงโทรศัพท์เกิดขึ้นก็ปล่อย ไม่ถือสานะไม่ไม่ถือสาทําจิตให้ปล่อยถ้าเราฝึกทําจิตให้ปล่อยบ่อยๆนานๆเราจะเจออะไรก็ได้นะชีวิตอย่างนั้นเป็นทุกข์ได้ยากมากกับคนเจออะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยทุกข์ง่ายไหมง่ายคนบางคนน่ะรู้นะว่าถ้าต้องปล่อยถ้ายึดถือเราต้องทุกข์ แต่ก็ปล่อยไม่ลงอเพราะไม่เคยฝึกปล่อยถ้าไม่เคยฝึกอะปล่อยไม่ลงทั้งที่รู้ว่าต้องปล่อยนะดังนั้นคนจะปล่อยลงเนี่ยเมื่อเขาต้องเริ่มฝึกปล่อยมาคนฝึกปล่อยได้เนี่ยเขาจะไม่ใช่ว่าเอะอะก็ปล่อยบางทีต้องใช้ปัญญามาช่วยมาบอกว่าเออจะไปเก็บไว้ทาไมให้รกสมองเนานะไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เยอะแยะอยู่แล้วหนาวางดีกว่าอันี้มันก็ร้อนเกินไปหนอเอาเข้ามาทาไมเนี่ย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 ปล่อยกิริยาของจิตปล่อยกระแสปล่อยความรู้สึกปล่อยความรู้ที่คิดว่ามันฉลาดแล้วเกินเออฉลาดแค่เนี้ยคนฉลาดกว่าฉันก็คงมีอย่าเพิ่งเมาตัวเองเลยฝึกทำจิตให้ปล่อ ย, อยบอกตัวเองถ้าปล่อยก็อย่างนี้มันเข้าตัวไมไม่มีอะไรเข้าตัวเลยตัวก็ยังบริสุทธิ์ผุดพองอยู่นะนี่คือการทำจิตให้ปล่อยต้องรอเอาสมาธิแข็งแรงก่อนไห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 แล้วก็มีปกติใจที่เป็นทุกข์ได้ยากนี่คือประโยชน์ของการฝึกการทําจิตให้ปล่อยนะไปฝึกนะโอ้ฝึกเยอะแล้วเกินพัฒนาด้านสะอาดก็จะแย่อยู่แล้วพัฒนาด้านอ่อนโยนเข้าไปอีกต้องมานั่งสู้กับมานะตัวเองอุตส่ามีตั้งนานนีพัฒนาด้านความแข็งแกรง่งนะพัฒนาด้านความสงบ แล้วก็พัฒนาด้านการปล่อยปลงนะฝึกทาจิตให้ปล่อยต่อมาพัฒนาด้านความรอบรู้ในธรรมนะอันนี้ไปสาคัญแล้วพัฒนาด้านความรอบรู้ในธรรมความรอบรู้ในธรรมที่มีสาระจะต้องเป็นไปเพื่อให้จิตคลายความต้องการทุกสิ่งในโลกได้นะการละความต้องการเนี่ยนึกแล้วยากัหยละความอยาก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 แต่จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ให้ละความต้องการอย่างนั้นหรอกท่านให้ปฏิบัติจนกว่าจิตจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยหนอพอจิตเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยหนอเนี่ยความต้องการมันถูกละหมละน ะ, นะไม่มีอะไรน่าต้องการเนี่ยคือมันก็จะไม่เอาอะไรกับการที่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 ไอ้นั่นไม่ดีเอาออกมาจากปากเด็กเขาก็ไม่รู้เขาก็ต้องฝืนเอาออกให้เอาใส่ปากใหม่เอาออกมาเดี๋ยวนี้เอาออกไม่หยุดหรอกแต่ถ้าเด็กเนี่ยเริ่มเข้าใจเหตุผลชี้โทษให้ฟังจริงๆเสร็จแล้วเด็กเขาคายออกเองอย่างงี้อันไหนมั่นคงกว่าคายออกเองดึงออกจากปากเดี๋ยวมันก็ใส่อีกแต่คายออกเองเนี่ยจบเลย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 มองให้เห็นความแปลป่วนเปลี่ยนแปลงเนี่ยแค่พูดยังไม่อยากฟังเลยมองโทษใจเนะี่ยแต่ที่สุดก็ต้องมาอย่างนั้นพอพิจารณาจนเห็นว่าอืมไอ้สิ่งนั้นก็แค่นั้นเองเดี๋ยวก็ต้องแปลป่วนเดี๋ยวได้มาใหม่สักพักนึงเดี๋ยวแกก็เก่าอีกแล้วนะก็อย่างนั้นงั้นก็ใช้แค่ประโยชน์ก็พอละพอจิตขนาดนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเย็นไปเยอะมันลดไปเยอะหาเหตุผลให้ตัวเองเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีการสารสิ่งนั้น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 สบายไหมไม่ต้องแข่งขันแข่งกับใครเลยนะทีนพอไม่แข่งกับใครเขาจะเกลียดเราอห ม, อมไม่เกลียดเราเพราะเราไม่ได้เป็นคู่แข่งของเขาไม่ได้ไปช่วงชิงกับเขานั้นการเอาชนะความต้องการตัาหาที่ทําให้ชีวิตจบได้จริงๆเขาใช้คำว่าจบกิจเลยละ่ะจบกิจพ ม, มจันเลยหรือทําให้เจ้าความต้องการมันอยู่ในการควบคุมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสบายขึ้นไหม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 ที่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าจิตและทำลายความต้องการให้มันเบาบางลงเมื่อเขาเบาบางลงนะจิตของคนนั้นจะเย็นขึ้นชีวิตคนนั้นจะสงบขึ้นนะได้ที่สุดก็ตายเหมือนกันนะใช่ไหมคนต้องการอะไรใหญ่ๆได้ยังไม่ทันอยู่ถึงปีออตายแล้วคนต้องการอะไรน้อยๆก็ตายเหมือนกันนะแต่วันคืนเนี่ยมีความเย็นไม่เท่ากันหรอก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 แล้วขยันย้ำมองที่จะเห็นมีแต่โทษภัยไม่มีการสารมากในวันหนึ่งคืนหนึ่งนะทะทจริงๆนําพาจิตจริงๆเนี่ยสักปีหนึ่งเนี่ยคิดว่าบางไปเยอะ่ะบางไปเยอะเลยนะเมื่อบางได้เนี่ยหมดได้ไหมหมดได้นะหมดความต้องการสิ่งทั้งปวงโดยแท้จริงเมื่ อ, อไหร่นั่นคือพระอรหันต์นะนี่นคือพระอรหันต์เลย หมดได้ระดับหนึ่งก็สกทาคาหมดไปอีกก็อนาคาหมดจนไม่เหลือสิ่งที่ต้องการเลยก็อรหรันต์ดังนั้นจะหมดได้เมื่อจิตรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าต้องการนะจะรู้สึกว่าไม่น่าต้องการจิตต้องเกิดความรู้และเห็นชัดว่าสิ่งนั้นไม่มีกัรสารเลยสิ่งนั้นโหทโทษภัยเยอะเหลือเกินสิ่งนั้นมีแต่ความแปรปวนพอแปรปวนอย่างนี้เข้าไปเนี่ย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 กับการสร้างความรู้แล้วให้จิตคลายเนี่ยอันเดียวกันไหมคนละอันทาจิตให้ปล่อยมันดึงขนมออกจากปากเด็กนี่คือทําจิตให้ปล่อยนําพาให้เขาเข้าใจว่ามันมีโทษภัยไม่มีกัญสานะแล้วก็คลายเองก็เรียกว่าให้เด็กมันคลายออกจากปากเองก็เรียกว่าทําจิตให้จางคลายนะทจิตให้คลายกับทาจิตให้ปล่อยเนี่ยพระเจ้าวางไว้สองจังหวะเลยนะ ให้ไปฝึกทําจิตให้ปล่อยขั้นที่หนึ่งต่อมาฝึกทําจิตให้จางคลายซึ่งเป็นคนละอารมณ์กันเลยการคลายเนี่ยมาจากสวดลึกการปล่อยเนี่ยมาจากเมื่อผัสสะทุกสิ่งที่กระทบกระทบแล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยแต่ทําจิตให้จางคลายนี่คือถอนจากภายในเลยนั่งมองหาโทษภัยอะไรเยอะแยะนานๆเคยชอบอะไรไว้ในใจเต็มอกเนี่ยเริ่มจืดไปเยอะเลย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 ไม่มีเราอยู่ในกายในจิตกายและจิตไม่ใช่เรานี่คือข้อที่ว่าบุคคลที่มุ่งกันสารคือมรรคผลนิพพานหรือการรู้ถึงคุณธรรมของความเป็นอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกทาคานาคาลหันเนี่ยจะต้องเข้าถึงเขตความเข้าใจในระบบธรรมชาติให้บริสุทธิ์และเข้าใจในชีวิตอย่างบริสุทธิ์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 ตามเห็นเจ้าขันห้าโดยความเป็นของไม่ใช่เราให้ได้ไปดูซิมันไม่ใช่เรายังไงผ่านเวนคืนไปดูไปสังเกตจนกว่าจะรู้จริงด้วยตนเองว่า ม, มันไม่ใช่เราจริงจริงมันไม่ได้มีเราอยู่ในขันห้าจริงจริงขันห้าเป็นระบบธรรมชาติล้วนๆจริงจริงไอ้นี่คือข้อปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องไปสร้างความรู้เรื่องความว่างจากเราให้สาเร็จ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 ย่อมไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาสิ่งใดๆได้เลยเมื่ออะไรก็ตามที่บังคับมันไม่ได้สิ่งนั้นทำให้เราเดือดร้อนได้ไหมได้ถูกไหมบังคับลูกไม่ได้เนี่ยเดือดร้อนไหมออบอกให้เธอเลี้ยวขวาฉันจะเลี้ยวซ้ายเดือดร้อนบอกเธออย่าไปฉันจะไปอะไรก็ตามถ้าบังคับไม่ได้เนี่ยทุกได้ไหมไ ด, ได้ดังนั้นถ้าระบบชีวิตทั้งชีวิตมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เราเนี่ย และไม่ได้มีเราอยู่ในมันจะบังคับมันได้ไห ม, ไ, มได้ไมใครบังคับได้บ้างไม่ไ ด, ไได้เมื่อไม่ได้เนี่ยเราก็ทุกกับมันได้นั้นในมุมของการเห็นความไม่ใช่เราเนี่ยทำให้บุคคลนั้นคลายความยึดมั่นถือมั่นและมองเห็นโทษภัยของสิ่งที่บังคับไม่ได้ขึ้นมาได้ด้วยนี่คือคลายระดับหนึ่ง เห็นความว่างจากเราก็คลายความติดใจยึดถือได้ระดับหนึ่งแต่ไม่พอไม่ยึดถือว่าเราแต่ก็ยังชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้ชอบสิ่งนู้นเมื่อยังชอบอะไรอยู่หมายถึงความติดใจยังไม่คลายจากสิ่งทั้งปวงก็เลยต้องมีการสร้างความรู้อีกระดับคือตามมองให้เห็นโทษภัยแบบที่สอนเมื่อครั้งแรกเนี่ย พอมองเห็นโทษภัยทีนี้จะคลายความติดใจออกจากสิ่งทั้งปวงความรู้ที่จะต้องสร้างก็มีแค่สอ ง, สองระดับคือหนึ่งความรู้เรื่องความว่างจากเรานี้คลายโมหะบางส่วนกับความรู้เรื่องการเห็นโทษภัยให้แก่กล้าเนี่ยคือคลายราคะโทสะได้นี่คือส่วนนี้เติมการบ่มเพาะความรู้ทั้งสองส่วนทั้งเรื่องความว่างจากเรา ทั้งเรื่องโทษภัยของขันธ์โทษภัยของโลกเนะี่ยบ่มเพาะความรู้อย่างนี้ให้แก่กล้าให้นานแน่นนะให้มั่นคงให้ขยายตัวให้สมบูรณ์ความรู้ที่สมบูรณ์ส่วนนี้ก็จะนำพาให้จิตจางคลายนะจางคลายเมื่อคลายก็หลุดพ้นง่ายไหมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เป็นอย่างนั้นนั้นข้อที่ผู้ปฏิบัติ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 คนไหนที่จิตกระด้างคนนั้นจะแก่เฉยนั่งสมาธิก็เฉยไม่ซึ้งนะเพ่งนิจจังก็เฉยไม่ซึ้งเพราะกระด้าง น, นั้นคนนั้นต้องพัฒนาด้านอ่อนโยนเพราะอ่อนโยนจึงไม่เฉยมันไหลไปกับกระแสะอารมณนะ์พัฒนาด้านสะอาดด้านอ่อนโยนพัฒนาด้านความแข่งนะพัฒนาด้านความสงบ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 เราจะทําให้จิตอ่อนโยนขึ้นเราจะทําอะไรเราจะทําให้จิตแข็งแกร่งขึ้นเราจะทําอะไรเราจะทําให้จิตปล่อยได้ง่ายขึ้นเราต้องฝึกการปล่อยเราจะทําให้จิตสงบขึ้นเราจะทํำยังไงเราจะทําให้จิตจางคลายเราจะทํำยังไงถ้ารู้ว่าจะทํำยังไงทีนี้ทําไงต่อโน่นโคนไม้โนอนเหลือนวางไปหาที่ทํามอาผ่านวันคืนก็ทําเอา จบสรุปการปฏิบัติยากไหมเหมือนไม่ยากแล้วจะทำเมื่อไหร่อันทำได้นะอ่ะก็พอสมควรสองชั่วโมงละอนุญาตให้ยมเบลกดีกว่านะ